I know. w a e the y a m ที่นี่จนใจเราเป็นนักประสาทนาเมื่อตรัสไปแล้วมันต้องแน่แนวจะทำมาชนายเนื่ว่าเป็นคำมาเราเคยทำไว้ปล่อยให้ลูกไปเถิดพุทนาจะดีพอรู้ จะว่าไง